บทที่สิบห้าน้องสาลายครูกับสิทธิ์พากันเดินจากหมู่บ้านไปออกท้องทุ่งที่หมายคือน้องสาลายบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างคนเป็นสิ์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 นึกถึงคำสอนของยายเรื่องมงคลซึ่งยายบอกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้มงคลข้อที่สีการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีตัวเขาอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดีมาโดยตลอดกระนั้นก็ยังประพฤติตัวเ ก, ก, เ, กเกะเมเรเกเรเอาดีไม่ค่อยจะได้แต่ได้หญิงแต้มนั้นอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเลว เไหนจะเอาดีได้เล่าหนุ่มน้อยลืมไปว่าตัวเขาก็ละเลยมงคลข้อแรกคือไม่คบพานผู้ชายที่เขากําลังเดินตามหลังต้อยๆอยู่นี้เป็นพานเขาไม่ได้คํานึงถึงข้อนี้ครูครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวของครูได้หรือเปล่าครับเด็กหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาทางช่วยเด็กหญิงแต้ม เอาเลยเองอยากจะพูดอะไรก็ว่าไปเลยเรามันเพื่อนกันนี่นะครูชิ้นว่าแต่ครูต้องให้สัญญานะครับว่าจะไม่ลงโทษนางแต้มมันแล้วก็อย่าคิดว่าผมละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของครูนางแต้มมันไปว่าอะไรเองหรือบอกมาเถอะข้าจะเคี่ยนมันให้หลังลายเลย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 คือผมเพียงแต่เปรียบเทียบนะครับผมเป็นห่วงไม่อยากให้หนางแต้มมันเสียเด็กเสียเด็กยังไงครูชิ้นยังคงไม่เข้าใจครูต้องรับปากผมก่อนว่าจะไม่ไปด่าหรือไปเคี่ยนตีนางแต้มมันและผมจะเล่าให้ฟังตกลงตกลงข้าสาบานว่าข้าจะไม่ทำอะไรมัน หนุ่มวัยสิหเพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุใดเด็กยิงแต้มจึงชอบสาบานและนี่กระมังที่คนโบราณเขาพูดกันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นความจริงผมก็ไม่อยากจะละลาบละลวงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูหนุ่มน้อยออกตัวไว้ก่อนผู้ชายข้างหน้าหยุดเดินหันมาบอกคนที่กำลังเดินตามหลังว่า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 แต่แล้วก็คิดได้ว่าไม่ใช่กองการอะไรของเขาที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มากกว่านี้นางแต้มเอ้ยข้าช่วยเองได้แค่นี้แหละเองช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นลูกครูชิ้นก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเถอะนะมีอะไรจะพูดอีกไหมคนเป็นครูถามคงไม่มีแล้วล่ะครับหนุ่มน้อยตอบ เพราะรู้ดีว่าขืนพูดไปก็ไร้ประโยชน์ดีไม่ดีแกอาจจะโกรธและเปลี่ยนใจไม่สอนวิธียิงนกให้เขาก็เป็นได้ถ้าเช่นนั้นก็เร่งฝีเท้าข้อหน่อยอีกสักพักใหญ่ๆก็จะถึงแล้ว คนทั้งสองต่างเดินตามกันไปเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรอีกหากในความเงียบนั้นต่างคนต่างคิดคิดกันคนละอย่างครูชินกำลังคิดว่าวันนี้หลังจากยิงนกเสร็จก็จะหิ้วมันกลับบ้านสองสามตัวเอาไปให้หนังสาลี่แกงเผ็ดไว้กินแกล้มเหล้าแกไม่เคยคิดถึงลูกๆว่าจะอยู่จะกินกันอย่างไร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 จึงได้เข้าเปลือกถึงแปดเกวียนเก็บใส่ยุ้งไว้เมื่อต้องการข้าวสารก็จะเกณฑ์พวกลูกๆมาช่วยกันตำเก็บใส่กระสอบเอาไว้หุงกินส่วนกับข้าวนั้นก็จะซื้อเฉพาะที่จำเป็นพวกลูกๆขยันหาปูปลามาให้ทั้งยังช่วยเก็บผักหักฟืนมาสู่กันกินกันใช้ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกทั้งเมีย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 ให้ลูกเห็นหรือเปล่าเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านที่แอบหนีตามผู้ชายไปทั้งที่อายุยังไม่ครบ15ปีบริบู์นั้นคงจะเห็นการกระทําของพ่อกับแม่เหมือนกับเด็กหญิงแต้มเห็นอยู่ทุกวันก็เป็นได้เด็กหนุ่มรู้สึกเมื่อยจึงย้ายปืนจากบ่าซ้ายมาไว้บนบาขวาเขาเดินลัดเลาะไปตามคันนา ตามหลังครูชิ้นซึ่งเดินไม่ค่อยจะตรงทางและทำท่าจะตกจากคานาก็หลายครั้งชาวนากำลังเกี่ยวข้าวเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวบางคนก็ร้องทักทายเมื่อครูชิ้นเดินผ่านหากก็มีหลายคนที่แซงทำเป็นไม่เห็นไม่อยากทักทายปราศัยด้วยว่าชังในความประพฤติของแกชั่วโมงต่อมา คนทั้งคู่ก็ถึงบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างที่มีชื่อว่าน้องสารายบนพื้นผิวน้ำมีผักนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มทั้งสายบัวซึ่งออกดอกสีบานเย็นผักบุง้งผักแว่นผักกระเฉดและผักสันตวาผักเหล่านี้สามารถนำไปจิ้มน้ำพริกปลาละกินกับข้าวได้ น้ำในบึงใสแจ๋วจนเห็นหมู่ปลาที่พากันแหวกว่ายเล่นฟูงนกยางและนกกระสาต่างก็บินชวัดเฉวียนเวียนวนตาจับจ้องมองลงมายัางพื้นน้ำคอยฉกเฉียวปลาที่เคราะร้ายกินเป็นอาหารนกยางจะกินแต่สัตว์มีชีวิตเช่นหอยปูปลาหากไม่กินพวกพืชผักส่วนนกกระสานนั้นกินทั้งสองอย่าง ด้วยว่าจับปลาเก่งสู้นกยางไม่ได้โอ้โหยังกลับสวรรค์นะครับครูผมไม่ยักรู้ว่าตำบลบางม่วงหมู่จะมีสวรรค์บนดินด้วยหนุ่มน้อยมีท่าทางเกรงกล้าเขาคิดไปถึงเพื่อนเกลอทั้งสองคือในจุกกับในโก้คิดว่าวันหลังจะต้องชวนกันมายิงนกตกปลาหน้าที่แห่งนี้ เองไม่เคยมาหรอกหรือไอนมไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครูคงมาบ่อยสินะครับตอนหลังๆก็ไม่ค่อยบ่อยนักหรอกแต่ตอนหนุ่มๆข้ามาแทบทุกวันหนีโรงเรียนมากับพวกเพื่อนเพื่อนครูชิ้เล่าถึงอดีตท่าทางโอนิดๆเสียดายจังที่ผมลืมติดเบ็ดมาด้วย ไม่เช่นนั้นก็ตกประดุกไปต้มหม้อปลาร้าแล้วก็ตกประช่อนไปแกงส้มเขาลืมเรื่องที่ยายห้ามวันนี้เราไม่ได้หาปลานะเว่ยไอนมเราจะมายิงนกกันข้าจะสอนเคล็ดลับในการยิงนกให้ส่วนเรื่องปลานั้นวันหลังค่อยเอาแหมาทอดเองจะเอากี่กระชุกก็ได้ คนเป็นครูว่าแล้วผมจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าครับน้ำใสแจ๋วอย่างเนี้ยหน้าดำผุดดำว่ายเล่นหนุ่มน้อยยังไม่ทิ้งความเป็นเด็กตามใจเองแต่ข้าไม่เล่นด้วยหรอกนะข้าเป็นโรคกลัวน้ำถ้าเช่นั้นก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นก็ได้เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยชวนนายจุกกับนายโกมาเล่น อดใจรออีกวันเดียวจะเป็นไรไปเอาละ่ะถ้าเองหายเหนื่อยเราก็จะลงมือกันเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับเห็นสวรรค์แล้วหายเหนื่อยเลยแต่ว่าครูเธอเดินมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรคนอย่างข้าอดทนได้ทั้งอดทั้งทนเชียวละ่ะถ้าอย่างนั้น ผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วครับงั้นก็ส่งปืนมานมน้อยครี่เสือและผ้าเขาม้าออกหยิบปืนส่งให้คนเป็นครูมีกระสุนกี่นัดหกนัดครับดีวันนี้ เอาแค่หกนัดก็พอรับรองได้นกเป็นร้อยร้อยตัวเลยละ่ะนกยางหรือนกกระสาครับอนกกระสาดีกว่านกยางเนื้อมันเหม็นเขียวเขาไม่นิยมกินกันแลนกกระสาเป็นยังไงครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวยิงเอาไปแกงเผ็ดกินแกล้มเหล้านะเองเอ้ยอาหารทิพย์ของเทวดาก็ไม่ปาน ครูเคยกินอาหารทิพย์หรือครับนุ่มเจริญถามอย่างสนใจถึงข้าไม่เคยแต่ข้าก็รู้มีอะไรในโลกนี้บ้างคนอย่างไอชิ้นไม่รู้คนยังไม่สางเมาคุยโวไม่จริงมังครับผมว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่รู้หนุ่มน้อยขัดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ไอชิ้น ไม่เชื่อเองลองถามมาสิถามอะไรก็ได้รับรองว่าขารู้หมดทุกอย่างตกลงถ้าอย่างนั้นผมขอถามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือผมอยากทราบว่าคนคิ้วครูมีกี่เส้นครับคนถูกถามชะงักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ตอบว่าห้าร้อยเส้นครูทราบได้งไงครับเออนะข้าตอบได้ก็แล้วกัน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 เพราะไม่เคยได้ฟังเทศมหาชาติทั้งยังไม่เคยมียายคอยเล่าให้ฟังอะไรของเองว่าไอ้ผลที่ว่าน่ะลองขยายความหน่อยสิมักกลีผลครับเป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเขาอธิบายไม่มีหรอกไอ้หนูต้นไม้บ่าบออะไรจะออกลูกเป็นคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็น คำตอบของครูชิ้นทำให้หนุ่มน้อยลังเลใจเขาควรจะเชื่อคนขี้เล่าอย่างครูชิ้นหรือว่าเชื่อผู้ทรงศรีลทรงธรรมอย่างยายและหลวงพ่อช้างดีหนอเรื่องนี้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้รอให้บวชเสียก่อนเท่านั้นเลิกพูดเรื่องเลวไหลกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนวิชายิงนกกันข้าเป็นคนสอนให้ เองนั่งลงและตั้งใจฟังนี่วิธียิงให้ยกปืนเสมอไหลหันปากกระบอกไปทางฝูงนกที่กำลังเกาะอยู่บนกอบัวนั่นพอเล็งเสร็จก็ทำให้มันตกใจมันก็จะพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเองก็เล็งปืนไว้ที่พวกมันรอจังหวะให้มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วค่อยยิง รับรองว่าร่วงเป็นร้อยเลยข้าจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างค้นสอนเลงปลายกระบอกปืนไปที่ฝูงนกกระสาเอาละเองส่งเสียงดังๆให้มันตกใจซิหนุ่มน้อยจึงออกเสียงชิ่วชิ่วดังๆฝูงนกตกใจพากันบินทะยานสู่เวหา ครูชิ้นรอจังหวะที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงมือที่จับปืนสันหริกเพราะริสุราแล้วนิ้วชี้ข้างขวาก็ลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นจนท้องทุ่งสะเทือนไหวฝูงนกนั้นร่วงลงมาประมาณครึ่งฝูงส่วนที่เหลือก็พากันบินแตกฝูงหนีเอาตัวรอดทำไมหนีไปได้วะ คนเป็นครูรู้สึกเสียหน้าด้วยอุตสาห์คุยไวเสดิบดีขอผมลองมั่งได้ไหมครับคนเป็นครูส่งปืนให้นุ่มน้อยรอจนฝูงนกใหม่พากันมาเกาะบนกอบัวคราวนี้ครูชิ้นเป็นคนส่งเสียงให้มันตกใจเมื่อลูกศิษย์ลั่นไกปรากฏว่านกตกลงมาทั้งฝูงคนเป็นศิษย์ดีใจที่ได้เป็น อติชาติสิทธิ์หากคนเป็นครูรู้สึกฤิศยาที่สิทธ์เกินหน้าเกินตาตนจึงบอกหนุ่มน้อยว่าขอข้าลองอีกทีเด็กหนุ่มส่งปืนให้คนทั้งสองย้ายจากจุดเดิมไปหาที่ซุ่มซ่อนตัวใหม่ครั้งนี้ครูชินตั้งใจเต็มที่แต่เพราะมือสันผลจึงออกมาเหมือนเดิมอีก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 เพียงแค่ปีกหักบินไม่ได้มันตกลงมาบนคันนาแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตเด็กหนุ่มวิ่งไล่าตามและตะครุบตัวไว้ได้เจ้านกตัวนั้นคงจะโกรธจึงจิกมือเข้าเต็มแรงจนเลือดพุ่งด้วยความแค้นหนุ่มจเจริญหักคอถลกหนังหัวมันออกมาแล้วก็เหวี่ยงทิ้งในลักษณะคอยังหักห้อยตองแต่งอยู่อย่างนั้น